ห้าสิบ0 50, 50ที่สระว่ายน้ำวันนี้อากาศร้อน warm เราไปสระว่ายน้ำกันไหม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 การย้ายสวิ a พคุณว่ายน้ำได้ไหมการย้ายสวมคุณดำน้ำเป็นไหมการย้ายไดคุณกระโดดในน้ำเป็นไหมการย้ายในน้ำสปริงอาบน้ำได้ที่ไหน ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน is แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน is die น้ำลึกไหมน้ำสะอาดไหม เอสด e วอเตอร์สกุนน้ำอุ่นไหมเอสดีว a เตอร์วารมดิฉันหนาวมากแอคเกรย์เน้ำเย็นเกินไปดีวอเตอร์เอสเกดิฉันจะขึ้นจากน้ำแล้ว